พูดกันนะคะยังไม่ได้พูดกันด้วยด้วยวาจาใช่ไหมคะเออแล้วทีนี้นี่ที่ที่ตอนนั้นที่ไปหลงไปติดเนี่ยมันเป็นยังไงที่ไปหลงไปติดอะไรอยู่น่ะตอนที่หลงที่ติดกันนะตัที่ว่าที่ที่โยมที่โยมมันที่โยมมันหลุดเนี่ยมันมันโดยบังเอิญนะหลวงพ่อเออแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจเลยนะแล้วมันติดเก็ไม่รู้ว่ามันติดยังไงตอนนั้น มันน่าจะมันรู้ค่ะว่ามันมีอะไรอยู่หน่อยมันยังไม่ได้เคลียร์มันรู้มันรู้เองผมพะมันรู้เองแล้วทําไมนพ้อไม่จับกันมันเหรอตอนนั้นมันเป็นพ่ออะไรไม่จัดการมันเพราะอะไรยังไวมันยังเสียดายยังอะไรยัะอะไรอาวอนมันอยู่ยังเสียดายอยู่ยังไม่อยากกินอิสระจากมันลียังไง อืมมันก็ไม่เชิงนะหลวงพ่อแล้วมันเป็นยังไงพ่รู้หมดทุกอย่างว่าที่หลวงพ่อบอกมาทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยมันมันตรงมันได้มันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันมันเข้าใจมันนั่นแต่ว่ามันมันคงจะเอาตัวเองเข้าไปบางอยู่อ่ะหลวงพ่อเออเส้นผมเส้นผมบางปูเขานี่นแหละออมันคือมีนิดเดียวมีเยื่อบางๆอยู่นิดเดียวเท่านั้นนะทียมัตไปกันอยู่เท่านั้น <ợ pr os> นัานแหละละเอียดเนี่ยมันมันจะละเอียดขนาดไหนมันมันก็มันก็ยังมีอยู่นั่นแหละนะมันมันมันมีละเอียดมันก็หลงละเอียดนั่นแหละเงียบหยาบก็หลงหยาบหยาบนี่นี่ยหยาบใดที่มันยังหลงอยู่มันก็หลงอย่างงั้นนะแล้วเป็นไงถึง้เข้ึ้นเขารู้เข้าใจอย่างนี้ทีนี้ทําทําไมขึ้เข้าใจทําไงทําไงขึ้นเข้าใจวันนั้นทําไงขึ้นเข้าใจมันเป็นไงเอ่าแต่ไม่ค่อยชัดทางพ่อใชที่ที่มันเข้าใจวันนั้นก็วันนั้นนะที่ ที่คุยกัที่วันนั้นน่ะสมพระมหาติพูดใช่ไหมคะ uh huh. ที่ฟังพระมหาติเสร็จแล้วอ่ะ uh huh. จากบ่ายสองโมงอมาถึงบ่ายสี่โมงอะก็มาฟังอาจา ร, รย์ยันต่ออ uh ืม huh. ฟังอาจา ร, รย์ยันต่อเสร็จเสร็จแล้วก็เอชั้นพูดว่ายังไงนะ เอออก็คือบอกท่านน่ะและว่าก็พูดกับท่านตรงอรงอืะก็เราก็รู้สึกว่าเรายังมีอะไรติดอยู่นิดนึงแลก็ตอบตรงๆงว่าเราก็ยังมีอะไรรู้สึกนิดหนึ่งทั้งที่เราก็รู้เข้าใจแล้วว่าจิตแต่มันก็ไม่เซลล์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆเห็นหมดรู้อืมแต่มันติดอะไรอยู่นิดหนึ่งก็ไม่ยุบเสร็จแล้วก็เอาวางสายปุ๊บก็ต่อไปหาบ้านจันจ่อยฮะอืมบอกว่าเออเนี่ยทําไมอ่ะ ทำไมอะโยมถึงไม่วางติดกู้รู้มันมันเป็นอะไรอะมันมันเป็นอะไรอะก็ทำไมอะไปอยู่กับความว่างหรือไปรู้อยู่กับวา่างเนะ่ยโยมก็มไม่ใช่นะ <supers. S 2> ก็ไม่ได้ไปอยู่กับว่างไม่ได้รู้อยู่กับว่างไม่ใช่นะที่พระาสารมหาตีท่านถามว่าไปรู้อยู่กับว่างหรือเปล่านะคะโยเก็บอกนอ้ยโยมก็ไม่ได้ไปรู้อยู่กับว่างนั่นนะท่านก็พูดออกมาคาว่า ก็มันไม่รู้พยายามเอาตัวเองเข้าไปตั้งอยู่นั่นแหละเท mm. ่านี้แหละคำนี้แหละท่าน mm. ยมเข้าใจทันทีเลยอ่ะ mm. Mm. Mm. มันเข้าใจเลยอ่ะทั้งที่ทคำนี้มันก็เคยฟังมาแล้วนะ mm. ไม่ใช่ว่าไม่เคยฟังจากลุงตาลงศักดิ์ก็เคย mm. แต่ช่วงนั้นเป็นอะไรไม่รู้ mm. เข้าใจ เ, เห็นะโอ้สาวนี่มันงงจริงๆ เอาตัวเองเข้าไปตั้งขวางอยู่ทำไมพยายามเอาตัวเองเข้าไปตั้งทำไมตัวเองมันก็ไม่ได้มีอืมแล้วมันก็เลยเหมือนกับมีอะไรประทุออกมาจากอกอ้าว่ามันก็เลยแบบโอ้โหก็เลยไม่รู้ว่าหล่อหายใสายท่านไปเลยก็ไม่รู้ว่าทําไมอะไรมันเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไร โอ้แค่อย่างนี้เราบังง้แค่นี้เองเหรอทำไมอยากตกไปจ้งพยายามเอาตัวเองเข้าไปฟังทำไมความเป็นเรามันเป็นเป็นขวางอยู่นั่นและความเป็นเรามันมีอยู่ในนั้นออโอ้มันแค่นี้เองโอ้ก็เลยแบบก็เลยร้องไห้อืใออบอกไม่เลยบอกบอกบอกไปรู้จะพูดยังไงอะฟังไม่ จำไม่ได้เลยว่าหลวงอาจารย์เฉยพูดอะไรอีกแล้วออืจําไม่ได้เลยออืมามามาแค่คำเนี้ยซึ่งมันไม่ก็เป็นคําที่เราก็เคยได้ยินหลวงพ่อก็พูดไม่ใช่ว่าหลวงพ่อไม่พูดออืหลวงพ่อก็บอกยุบฟังธรรมะของใครเจ้าใครอะไรก็ลืมว่ายุพยายามเอาตัวเองเข้าไปทํำทำไมพยายามเอาตัวเองเข้าไปทําทําไมเอย แต่เลยมันมาติด <ขอ S 1> มา ต, <ขอ S 1> ตายอยู่ตรงนี้ก็เยอะนะพาะนะมาติดมาหลงในว่าตัวเองหมดแล้วเสร็จแล้วอย่างเงี้ยมาหลงอยู่นี่ก็มียมเยอะเลยเอ๋ออืออนั่นแหละ<อ>มันไม่เคลียร์นะ<จ>นั่นเรียก<จ>มันมันไม่ชัดมันไม่เคลียร์มันยังมีตัวมีตนคอยรูปคอยไปประคองคอยไปรักษาอยู่นั่นแหละใช่ไหมใช<แ>่งั้นใช่ไหม ใช่การยันก็ว่าโยมมาไปประคองไปปรักษาไปนั่นมันมันก็มีเราอยู่นั่นเราที่มีอยู่ในนั้นในการรักษาในการประคองมันมีเราอยู่ในนั้นเจ้าค่ะโอ้จริงนะโยมกราบแท้เท้าหลวงพ่อจริงๆนะอืที่ทําให้โยมได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นใครสอนนะแต่ละคนแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยมาลงที่คําสอนหลวงพ่อหมดเลยรู้เฉยเฉยแค่นี้เลยไม่ต้องไปทําอะไรนี่แหละที่มันไม่เฉยอยา่างที่ <ๆ S 1> ทเป็นเพราะมันไม่เฉยนะที่โยมเป็นอย่างนี้มันประครองมารักษาเพราะมันไม่เฉยน่ะแล้วมันยังเข้าไปประคองเข้าไปรักษามันก็มีเราหมดนั่นแหละอยู่ในการประคองรักษาอือใช่ค่ะถูกต้องเลยหลวงพ่อเออพ่อจริงจรนะแบบ โอ <Source> ้โหมันนันเห็นความโง่ตัวเองแล้วทีนี้นะแต่ก่อนยังไม่ว่าโง่เท่าไรนะยังนึกว่ามันฉลาดมากเลยอืมนั่นแล้วเพะอืมอืมใจละแองพ่อค่ะของพ่อหลวงพ่อไม่รู้จะการถท้เท้าขอบพระคุณยังไงคือความซาบสิ้งจริงๆนะเรัาคที่ท่านไม่ตา ตั้งแต่ต้นมาเแล้วเหมือนกับคนตันทางตันแล้วไม่รู้ภาษีภาษาอะไรแล้วท่านก็มาชี้ทางเปิดให้เข้าใจทีละอย่างทีละอย่างเลยตั้งแต่เห็นกายมาเห็นความคิดมารู้จักผู่รู้ปู่ถูกปู่ดูจิต อ, อุ้ยท่านท่านชี้ให้โยมเป็นร ะ, ะระยะระยะระยะทุกอย่างเลยจอกเนียกักบงขัดเท้า ขอพระคุณยังไม่รู้จะหาที่สุดที่ไหนแล้วอื ม, อมทีนี้เนี่ยสมมุตินะสมมุติว่าคนยังติดอยู่เหมือนโยมเนี่ยแล้วโยมจะไปพูดเขาให้เขาวิธีไหนเขาถึงจะจ ะ, จะรู้ว่าตัวเองยังติดยังหลงเนี่ยจะจะพูดวิธีไหนยังไงจะพูดแบบไหนเขาถึงจะเข้าใจนะเ อ, อ, อ, อ, อ้าตอนเราไปประครองอยู่เนี่ยตอนเราเอาตัวเอาตนไปประครองไปรักษามันอยู่เนี่ยอ่า เราจะจะจะแ้านนี้นำเขาไงถ้าเขายังเป็นอยู่เหมือนโยมเนี่ยเอาถ้ายังเป็นอยู่เหมือนโยมตอนนั้นนะเออเอต้องถามเขาว่าเขายังมีความรู้สึกที่ว่ายังต้องระวังอยู่ไหมต้องระวังประคองดูจิตใจหรือเปล่าอยังระคลองให้ตัวรู้นี่อยู่หรือเปล่าออต้องถามกันไปตรงตงเลยอว่ามันยังมีไหมความรู้สึกที่มันต้องระวังต้องประคองต้องอะไรอย่างเนี้ย มันจะยังไปพิจารณาไปแท้ไปแซงอะไรเขาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอ hmm. ต้องถามกันฮะต้องถามกันแล้วก็ต้องต้องให้หลวงพ่อ <c oughs> แ น, นะอล้วค่ะให้หลวงพ่อชี้ต่อแล้วคะอย่างยังโยมโยมเนี่ยมีประสบการณ์ใช่ไหมพ่อยมมาติดมาประครองมารักษามันอยู่เนี่ยเป็นองค์ขลักพิทักมันรักษามันอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยโยมจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ คนที่ยังยังประคองยังรักษาเหมือนโยมอย่างเงี้ยโยมจะพูดแล้วเขาจะเข้าใจใช่ไหมมันเป็นหัวอกเดียวกันนะอเออค่ะอ่หัวอกเดียวกันเนี่ยยังยังติดอยู่ตรงเนี้ยมาประคองมารักษาอยู่ค่อยยเราอู่น่ะแต่ไม่ได้เขาเรียกว่าแบบแบบนี้เขาเรียกว่ามันไม่เป็นอิสระเนี่ยเห็นไหมมันยังมีการรักษายังมีการประคองมันยังมีเราอยู่มันยังไม่เป็นอิสระเวลามันเป็นมันยังรู้ตัวหลวงพ่อมันหลงอ่ะ นนนนัันแหละมันไม่รู้ตัวนะอ่เนี่ยแหละความหลงอะละเอียดจะมีกิเลสละเอียดขนาดไหนมันก็ยังหลงอยู่ตราบใ ด, ดที่ยังมีความหลงอยู่นะเออเออนั่นแหละอ้าวอ่าเอาเอาชนิดเมือกี้ว่ามันอี้จะจ ะ, จะต้องจะบอกเขาว่างไงก็ต้องถามกันตรงๆแล้วว่ามันมยังมีไอ้ความรู้สึกต้องขับปคับประคองอะไรมันอยู่หรือเปล่ามันยังจะต้องไปคิดหาวิธีอะไรหรือเปล่า ถ้ามันยังต้องคิดถ้าอยู่แล้วก็ถ้ามันยังคิดอยู่เมื่อไหร่ว่าเออจะปล่อยได้หรือยังมันก็ไม่ใช่มันต้องหมดไอ้ตัวความคิดอันนี้เสียออทิ้งไอ้ความคิดอันนี้ออกไปก่อนทิ้งเลยอย่าไม่ได้ทิ้งก่อนทิ้งเลยแหละอืต้องทิ้งเลยแหละนี่แหละที่อาจารย์สวยติดอยู่แปดปีที่คุยคุยในประวัติที่อาจารย์สวยเราเห็นนะแปดปีติดอย่างโยมนี่แหละ นี่แหละแบบล็คฟังเออก็ฟังยังไงก็น่าจะเข้าใจนะเขารักษาเขาประครองเลยนะวันนั้นวันนั้นฟังนะแบบแทบจะแบบถ้าเป็นถ้าเราเป็นผู้ชายนะนึกจะจะไปเกาะเขาฟังเลยจริงๆวันนั้นน่ะวันนั้นนึกอย่างนี้จริงๆเลยนะคะท่านออื นึกอย่างนี้จริงเลยอะ่ะโอ้ยใหญ่เรานะถ้าเราเป็นผู้ชายเราจะไปเคาะเข่าฟังนั <c oughs> ้นพูดให้มันถึงใจนะแต่ว่าวันนั้นมันก็ท่านก็พูดมาบ่าววนะันนะั้นน่ะแล้วในยูทูปมีนักเตะฟังใน u ูทูปก็ยังมีอีกเข้าลง y o u ูทูปไว้อีกทัางหากอ๋ออันนี้เนี่ยเนี่ยท่านรักษามาอยู่แปดปีประคองหลงประคองอีกความงัวความหลงอยู่เนี่ยปนึกว่าตัวเองเสร็จแล้วอยู่เนี่ยแปดปีคิดดูกันแล้วกัน โยมไม่ได้คิดว่าโยมสิบแต่ว่า uh huh. เอ่อโยมหลุดโดยบังเอิญหลวงพ่อว่าไหม uh huh. มันมากระตุกพอทีเลยอ่ะอืม uh huh. มันมากระตุกพอทีมันไม่ใช่มันเกิดความพอดีอะไรของมันตรงนั้นก็ไม่ทราบอ uh huh. คือหลวงพ่อเนี่ยบ่มโยมมาจนกระทั่งสุกแล้วอืโ uh huh. ยมเนี่ยโยมเนี่ยถูกหลวงพ่อบ่มมาจนสุกเหลืองแล้วอืม uh huh. มันพร้อมที่จะหลุดจากขัวอยู่แล้วนะผลลายนพร้อมที่จะหลุดอยู่แล้วจากขั้องล้่ประคองรักษาไม่ไม่ให้มันหลุดอ่าตมันจะหลุดไปประคองไหมเอออย่าเพิ่งหลุดเลยกูยังเป็นขี้ข้ามึงยังไม่พออะไรเงี้ยแั่เนี้ยแค่เนี่ยหลวงพ่อมันพอมาถึงได้สะกิดนิดเดียวหลวงพ่ออืพอจันจ่อยมาสะกิดนิดเดียวมันก็เลยร่วงออืมันก็เลยเข้าใจดูสิรู้เลยเนยพอไปย้อนไปฟัง ไปคิดเอาไปตึกตองนะไปตึกตองหรืออ๋อมันมาอย่างนี้อย่างนี้เนาะทำยังไงโอ้ือมก็เดีของพ่อเมตตาเมตตาจริงๆนะเนี่ยนะไม่ใช่ว่าโยมจะหลุดได้เพราะอาจารย์ยันอาจารย์จอยอะไรใครก็ไม่ใช่ทางนั้นนะ่ะหลวงพ่อนี่แหละเป็นคนที่เป็นคนที่อแบบ มาลายจี้มาส้อนมาอบรมมาทุกอย่างจากคนที่ไม่เข้าใจอะไรเลยจนค่อยๆรู้รู้รู้รู้เข้าใจมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่มันหลุดเองอะ่ะหลวงพ่อหลุดเ อ, องอ่ะอย่างที่หลวงพ่อบอกแล้วว่าถึงเวลามันล่วงเองเอหลวงพ่อบอกอะ่ะนั่นอ่ะริงทุกอย่างเลยค่ะอืน อันละก็จะช่วยกันช่วยช่วยกันแยให้มันหลุดกันแหละนะเพราะว่ามันบางทีมันก็ไปหลงชละใจมันยังไม่งอมงอมจับเต็มที่ก็ไม่รู้นะอือมอืมค่ะค่ะอืมแล้วพอพอมันพอมันหลุดมันมันเป็นอย่างนี้แล้วนี่ในความรู้สึกมันเป็นยังไงทีนี้ว่าเราไปหลงประคองไว้เรด้อยยังไงเรากูไมโงงเป็นความโง่ของตัวเองเห็นความโง่ของตัวเองอื แล้วก็เออถ้าที่มันนอนไม่หลับมันเป็นเพราะอะไรหลวงพ่อทําไมเออรู้สึกจิตมันโปรงค่ะเอ้สึหลวงพ่อเนี่ยนอนไม่หลับอยู่ครึ่งเดือนน่ะคิดดูกันแล้วกันมันตื่นเขาเรียกจิตมันตื่นอ่อจะรู้ว่าทำไมในี่ยเมันโปรงเออมันก็ให้รับทุกคนเนี่ยนะใครป๋าเจาะก็ว่านอนไม่หลับนี่อโปรงโปรงแบบโปรงแบบเออนั่นแหละเพราะว่าจิตมันตื่นเนี่ยนอนไม่หลับอยู่ครึ่งเดือนเอ้าวตายก็เรื่องของมันเยอะว่ะ นอนขวดในท้องแม่มาไม่ลูกกี่กลับกี่กันแล้วก็ดีแล้วนอนไม่หลับแค่นี้ไม่ตายเราเข้าก็กินได้อยู่นอนไม่หลับมันไม่ตายหรอกแค่นั้นเอออ่ามันจิตมันตื่นใช่ไหมจิตมันตื่นมันเป็นคนใหม่ขึ้นมามันก็ลบล้างข้อมูลเดิมใช่ไหมลบล้างข้อมูลเดิมมันก็เป็นข้อมูลใหม่ขึ้นมาก็เป็นคนใหม่ก็มาฝึกเรียนรู้ใหม่อ่าจิตมันตื่นทีจิตมันตื่นมันก็เลยไม่หลับก็ไม่เป็นไรมันไม่หลับก็เรื่องของมัน เออเดี๋ยวมันก็หยู่ปรับตัวอยู่ระยะหนึ่งน่ะแหละสองอาทิตย์เต็มที่นะตอนนี้ตอนนี้ก็ยังมีความรู้สึกรงโคลงอยู่เออเป็นช่วงช่วงเนาะมาไกมันเป็นช่วงช่วงมันเป็นช่วงช่วงน่ะก็เรื่องของมันนะไม่ใช่น่ะเรื่องของมันนั่นแหละเป็นอย่างนี้แหละธรรมชาติของมันมันปรับสภาพของเราก็ถามอาจารย์ยันเราบอกช่างมันเออธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันธรรมชาติของมัน นี่แหละธรรมชาติของมันมันจะเป็นไงก็เป็นธรรมชาติของมันหมดนั่นแหละไม่ต้องไปอะไรก็มันหรอกนะเข้าใจแล้วถูกปกากแล้วค่ะแล้วค่ะเล้วค่ะอย่างปล่อยไปมันไม่ยัอะไรละถ้ามันมันปรับสภาพธรรมชาติทางแล้วมันก็เป็นของมันก็เป็นปกติของมันเหมือนเดิมนั่นแหละมันก็เป็นปกติของมันนะก็คเป็นคนเป็นจิตใหม่ในร่างเดิมเป็นจิตใหม่ในร่างเดิมเท่านั้นแหละ เอาครับใช่คับมันจะไมขึ้นมามันไม่ไม่ไปประคองประคองอะไรจริงมันก็เป็นอิสระนะมันไม่ต้องไปคอยประคองกิเลสไว้ให้ขี่คออย่างงั้นอ่าแต่เขาเรียกประคองกิเลสให้ขี่คอยยังเสียดายการเป็นชี้ค่ารับใช้กิเลสอยู่อ่าไ <c oughs> ปหลงมี <c oughs> มีละเอียดกับไปหลงของละเอียดมีห ย, ยาบหยาบกับไปหลงแบบหยาบหยาบ <c oughs> นี่นแหละความหลงยังมีอยู่จากใดมันก็บบรักษาความหลงละอะไรอย่างนั้นอ่า อ่ามันเป็นไรทีเนี้มันก็ร uh> ู้แล้วล่ะมันมันก็เป็นอะไรเป็นเป็นครูผิดก็เป็นครูถูกก็เป็นครูพอมีใครเป็นอย่างเราเงี้ยเราก็จะรู้ทันทีเราจะบอกได้เลยทีนี้เออเนี่ยเราก็โง่ไปลงประคองรักษากิเลสไว้ขีคอตั้งงมตั้งนานมันจะได้บอกกันจะได้เข้าใจนะพูดมันมีประสบการณ์เนี้ยมันพูดกันคนอื่นที่มันยังรักษากิเลสไว้ฉีคอผมันก็จะได้เข้าใจด้วยนะอ่าใช่ไหมอ่ อั่นหละก็ได้แล้วเ ช, ช้ากันอ๋อสะดวกนะที่มันไม่รับงันไม่เป็นไรเดก็เข้าชี้สองอาทิตย์เท่านั้นแหละสองอาทิตย์แล้วก็เป็นปกติ<อ>แล้วทีนี้มันก็เป็นปกติของมันนะ่ทีนี้ไม่ต้องไปประคองไม่ต้องไปรักษาไม่มีใครมาใส่โซ่ใส่ตวลไม่ต้องมีใครมาเือปืนจอ่อค่อยคอยคุมเป็นนักโทษเหมือนแต่ก่อนนะเป็นอิสระจะไปไหนก็นได้ทีนี้สบายคนคุมไม่มีนะเออ กลัวแต่จะประคองกลัวแต่กิเลตมันจะกระทบประเทือนประคองมันไว้ให้มันชีคอยู่นั่นรักษามันสนุสนอมมันเอาเรือเกินนะเป็นธาตุ้ามาจนกลามเน้อถาเป็นธาตุ้ามาจนไม่อยากจะเป็นอิสระจากเขานะอ่ากลามเนื้อแท้ๆอ่าั้นไงไม่งั้นมันก็ไม่รู้ว่าตัวเองโง่รอกมันก็ยังว่าเราฉลาดอยู่นั่นแหละแก่กาอ่าอ่าเนาะอแล้วทีนี้ต้องประคองรักษามันไหมทีนี้ เขาไม่ต้องนะคะธรรมชาติปล่อยมันใส่สบายสบายไม่ไม่กลัวลูกผีกระทบกระเทือนอะไรอีกเล้วมันมันลงจากคอให้ยางเนี่ยเประคองมันไว้ไม่อยากให้ลงจากคอประคองไว้ให้สี่คอไว้ขี้เยี่ยวเสีหัวรถหัวรถขี้เยี่ยวรถหัวอยนั่นฮะไม่เอาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะเออเออเราเลิกแล้วค่ะเป็นเป็นขี้ค่ารับใช้เขาจนเคยกินไม่อยากจะให้เขาลงจากคอให้มันขี้เยี่ยวรถหัวอยู่นั่นนะนะมันถึงจะเห็นความโง่ของตัวเองที พอเห็นความโง่ของตัวเองความฉลาดก็เข้ามาแล้วทีนี้ความโง่ก็หายไปก็มีแต่ความรู้เต็มที่ทีนี้นะมไม่หลงอีกแล้วทีนี้ใช่ค่ะนี่แหละตายค้านี่ไม่ใช่น้อยพลาดนะไม่ว่าพลาดว<ม>ายมหรืทํามไรอยู่ตรงนี้แล้วก็ตายไปไม่เป็นนะ<ว>ไปรักษาไปไปรักษาไว้ให้มันขี่คอให้มันขี่เยี่ยวลดหัวอยู่นั่นกวนแต่มันจะลงจากคออยู่างรักษามันไว้ให้มันขี่คออยู่ให้มันสับมันเสกย่าง อ่าล่ะมันโง่มันหลงมันมีของละเอียดมันก็หลงของละเอียดนั่นงั้นแหะนะเคยเป็นทาสเขาจนเคยชินแล้วแวงว่าะสบายนะทีนี้สบายใช่ไหมสบายเจ้าค่ะสบายสบายอยู่เจ้าค่ะอ่าไม่มีสบายสบายอยู่เจ้าค่ะเดินไปไหนก็ไม่ไม่ไม่มีไม่มีโซ่โซ่มีตัวอยู่ในแข้งในขาถือโซ่ตัวมีคนยืนถือกระบองไว้ตีหัวอยู่ไม่มีนะอ่าให้ไปก็อ่นักโทษตีเด็ดโทษตีเด็ดตอนมาตายอยู่นั่น ไอ้จีเดียด ค, คอยขุ้มอยู่นั่นคอยรักษาประคองจีเดียดไว้ไม่มอยากให้ลงจากคออยู่นั่นเนเอยมันเข้าใจยากน ะ, วะเวลาเวลาไม่มันไม่เป็นขึ้นมาเองมันไม่รู้หรอกมันไม่เข้าใจหรอกจริงค่คจะจริงค่ะหลวงพ่อมันก็ไม่เข้าใจมันก็ว่าตัวเองมันนั่นแหละเหมือนอาจารย์สวยอาจารย์สวยก็บอกว่ามามจะมาให้พิจารณาอะไรอีกมันก็ไม่มีอะไรขันหาพิจารมารู้หมดแล้วมเขาถึงว่า แต่มันไม่รู้ตัวเองไงนะมันมันอะไรรู้หมดแต่มันไม่รู้ตัวเองมันม่คอยประคองรักษาอยู่จริงเลยค่ะอ่าจริงเลยค่ะอ่จริงนะ่นแหละตัวตัวเองมันไม่รู้รู้อย่างอื่นหมดแล้วแต่มันมันไม่ย้อนมาดูตัวเองตัวเองม <rencont> re. ันอิสระหรือยังยังต้องไปครองยังต้องรักษาอยู่อยูไ่ไหมเลือเป็นอิสะระแล้วไม่ต้องประคองไม่ต้องรักษาอะไรแล้วกิเลสลงจากคอเรียบร้อยหรือยังเนี่ยมันต้องย้อนมาดูตัวเองไง ถ้ายังไปประคองถ้ายังไปรักษามันอยู่มันไม่ใช่แล้วยังเป็นนักโทษอยู่เขาอ ย, ย่างถือกระบองคอยตีหัวอยู่เนี่ยเออชคมันต้องเป็นอิสระไม่มีใครขี่คอไม่มีใครมาคุมอย่างนั้นเป็นอิสระเงี้ยเออมันถึงจะถูกอาจารย์ยันก็บอกให้เลิกประคองเหมือนกันนะคะออตอนนี้คุยกันใหม่ๆอาจารย์ยันก็บอกให้เลิกประคองแล้วก็คือกอาจารย์จ่อยนี่คือพูดเล่นกันจนแบบอืม พูดเล่นกันจนหัวเป็นทั้งวันอ่ะคุยกันเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เคยคิดว่าท่านจะมาสกิทตรงนี้เลยไม่เคยนึกเลยอะไม่เคยนึกเลไม่เคยนึกเลยฮะแล้วก็ดีก็ก็กลับขอบพระคุณทั้งอาจารย์ยันด้วยอาจารย์จ่อยด้วยสิ่งน่ะสวยๆกันโอ้โอ้แ่เราอยากขอให้นะทางทางการกับกับกันทุกองนะคะอพอพอดูรู้สึกปฏิจากตรงนั้นแล้ว โยมก็ลุกขึ้นมากราบพระพุทธเจ้ากราบท่านพ่อกราบท่านอาจารย์กราบหลวงพ่อนะคะแล้วก็ทุกๆครูบาอาจารย์ทุกองที่เคยผ่านมาทั้งย u ทธุกทา้งไวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขอบพระคุณท่านหมดทุกองเลยค่ะมันถเออตอนตอนที่นั่นมันถามเนยนะว่ามันมนกัรรู้สึกว่าถ้าจะตายตอนนี้เป็นยังไงมันตอบของมันเองเลยว่าตายได้ทันที ไม่รู้มันออกมาจากตรงไหนแล้วผมก็มยงก็ไม่รู้นะมันออกมาอย่างไงนะอืมหลังจากที่วางสายจากจำใจแล้วว่ามันออกคํานี้มาว่าจะตายพร้อมในอย่างตอนจะตายตรงเนี้ยตายตอนเนี้ยได้ไหมมันตอบทันทีแล้วว่าพร้อมทันทีเดี๋ยวนี้เลยอืมได้เลยตอบไม่รู้มันอะไรมันถามมันตอบอะไรก็ไม่รู้อะมันก็ว่าของมันเองก็จบของมันเองอะนร่ะมันว่าของมันเองเออมันตอบ อ่ะมว่าเอองงจริคุณนายเขาก็ก็พูดอย่างนี้เหมือนกันเวลานั้นเขาว่าเออจะตายตอนนี้เขาก็ไม่มีอะไรแล้วเขาตอนเขาเป็นเขาก็ว่างอ่ะอืมมันถามตอบของมันเองเออมันเป็นของมันเองอมันว่าของมันเองมันนั่นของมันเองยงกราบแทบเท้าหลวงพ่อนะคะออืโดยความเคารพอย่างยี่เลยนะลองจากท่านพ่อเฟื่อมาแล้วก็มีหลวงพ่อเนี่แล้วนะคะที่ไานเร็นล่องพอล้มใจทำท่าให พวกเราไม่ใช่จะโยมคนเดียวนะพวกเราหลายๆคนและทุกคนในที่ได้มาเป็นลูกศิษของพ่อเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันแต่จอดแจ้งขึ้นนะคะลูกลับพ่อเท้าพ่อด้วยความรักและเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะอนุโมทนาสาธุด้วยนั่นแหละไม่ไม่มีใครถือกระบองตีพ่อคอยคอยสับป่อยเข็งแล้วยีแล้วสาธุครับเจ้าค่ะสาธุสาธุ saja, s a t u s a t u p u k jauhlah, hilak, hilak, um, p e n j e l a s a l a h sini, saja, um, penjelasanlah, saku, j a u k l a h u s a t u saku.